ว่าวนไม่พูดถึงพระสิทธาคามีเดื่อก่อนขึ้นต้นก่อนนะการเจริญกรรมฐานอันดัแรกธรรมดาทางพุทธวิสัชยอย่าเล่ลมให้ใจเขาออกเรื่องลมให้ใจเขาออกนี่มีความสําคัญมากถ้าเราทิ้งลมให้ใจเข้าออกอารมณ์จิตจะไม่เป็นสมาธิจะไม่เป็นฌา <c oughs> นและการส่งรมให้เป็นฌานนี่เป็นสมาธิ ต้อรู้ลมหาใจเขาออกไวเสมอทั้งนี้เป็นเพราะว่าถ้าใครจิตถึงฌานสี่พอถึงฌานนี้สิ่งเวลานั้นจะไม่รู้สึกลมหายใจเขาออกมีอยู่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตกับกายแยกกันขาดจิตกับศาส์แยกกันความจพียงร่างกายยังให้ใจอยู่แต่จิตไม่รับทราบอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงกันนะ ฉัอันว่าการกระทำกรรมฐานเพื่อการส่งสมาธิคำว่าสมาธิจะแปลว ก, การตั้งใจเราตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลมหายใจเขาออกการรู้ลมเข้ารู้ลมออกก็แสดงว่าเราตั้งใจรู้ลมเข้าลมออกถ้ารู้ลมเข้ใจเข้าก็ดีรู้ออกก็ดีเวลานั้นเที่ยวจิตเป็นสมาธิ ถ้าภาวนาด้วยถ้าภาวนาด้วยรู้ต้งลงให้ใจเขาออกด้วยรู้ความภาวนาด้วยก็ถือว่าจิตเป็นสมาธิฉะนั้นขอมาดาท่านพุทธริษัททุกคนยังอย่าลืมลมหายใจเขาออกเราจะถึงระดับไหนก็ตามนั่นหมายความว่าเราจะเป็นปโสดาสิตาคานาค า, ารหันก็ตามขึ้นลมหายใจเขาออกไม่ได้ แม่พระองค์สมเด็ดปจรประจอมไตรยคือพระพุทธเจ้าก็ตัดรำสารีบท่าสารีบุต ร, ารตาดูก่อนสารีบท ต, ต่ถาโคตกมากเป็นลมนหาใจเขาออกแต่นหมายความว่าท่านทรงล ม, มหา่ใจเขาออกอยู่เสมอจิตถือเป็นสุขาการกำหนดลมหาใจเขา้าหายใจออกในบรรดาต่พระพุทธสัจเขาถือว่าเป็ น, ปนการรับการสังขารทีรับรับุบกเรตนา ขณะไดที่ร่างกายมีทุกเวทนาเวลาดันราจิตจับลมหายใจเข้าออกเวลานั้นทุกเวทนาจะรู้สึกเบาลงแต่ความจริงมันไม่เบาแต่ว่าจิตจะหางออกจากเวทนาถ้าหางมากก็มีความรู้สึกเบามากถ้าหางน้อยก็มีความรู้สึกเบาน้อยถ้าจิตถึงฌานสี่จะไม่รู้สึกมีทุกเวทนาเลย กระบวนากากลายขึ้นต้นหรือลงท้ายกรรมาฐานก็อยู่ที่เราไม่ใจเข้าออกเมื่อก่อนธรรดาท่านผู้บริษัทจะพิจารณาอะไรก็ตามอันดับแรกกำหนดรู้ไม่ใจเข้าออกก่อนให้จิตเป็นสุขรู้ลมเข้ารู้ลมออกสักไม่ช้าจิตก็เริ่มเป็นสุขจิตเป็นสุขพระเมือเรมีสมาธิเมื่อจิตเริ่มเป็นสุขเ่็พิจนารณา เมื่อวานนี้พูดถึงสวัสดาบัญญาสิกาคามีวันนี้ก็พูดเจาะเฉพาะสิกขาคามีแต่ความจริงก็เหมือนกันที่ว่าเหมือนกันเพรว่าตัดสันเจ้าสามเหมือนกันพระสวสดาบัญก็ตัดสินเจาา้าพระสิกขาคามีก็ตัดสินเจ้าสามเหมือนกันตัดเท่ากันเรื่อหนึ่งส ก, กาญาตทิฏฐิ มีความรู้สึกไปร่างกายไม่ใช่เราไปสูงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ไปอารมณ์ร่าร้อนแล้วตามบาลีทจะบอกว่ามั่นสวดาบัญญัติพระสิทธาคารีก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีสิ่บริสุทธิ์การใช้ปัญญาในร่างกายก็มีความรู้สึกด้วย ถ้เราจะต้องตายว่าชีวิตนี้ไม่สามารถจะทรงตัวได้สักวันหนึ่งมันก็ตายประการในสองวิธีกิจฉาตัดความสงสัยในความดีพระเจ้าพระทรมพระอริยสงฆ์โดยยอมรับก็ถือด้วยความเต็มใจด้วยปัญญาประการในสามสิทธัตถะรามาสมีสินอริสด เรนนนว่าตัดสัญญาณสารเท่ากันแต่ว่าพระสิคธาคามีใช้ปัญญามากมากกว่า น, น้อยน่อยเรนนั้ว่าถ้าตัดสัญญาณสารไม่ได้หนึ่งนึกถึงความตาย <c oughs> ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าก่อนจะตายเราต้องหาที่พึ่งก่อนคือพระพุะทธเจ้าพระรานพระอริยสงฆ์แต่การต่อไปจะมีสินห้าเปเพรื่อกั้นบนใบหญิงทรงสินห้าบริสุทธิ์ได้ก็ทรงกําบดสิบบริสุทธิ์ แต่วความมีอยู่เป็นสุขหลังจากนั้นเมรุมต้องการปฏิพันธ์เป็นพระสดาบันทั้งท่านหยาบกรายละเอียดต่อไปทึานบพระสุกิทาคามม่าวมีตัดสังโยตเท่ากันแต่ว่าบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงยืยนยัว่าความโลภความอยากรวยยังมีอยู่ความโกรธก็ยังมีอยู่ ความหลงก็ยังมีอยู่ถ้าเริมใจเขาศสยทางนี้ไม่เครียดในเรา่งน้ำสามความอยากรวยก็ดีความเกลียดก็ดีความหลงก็ดีมีเบามากค่อยๆเบาแต่ความโลภจะเบาได้อย่างไรความโลภจะเบาได้เพราะอาศัยปัญญาปัญญามากกว่าโสดาบัน มีความรู้สึกว่าขึ้นเยี่กับความโลภเป็นปัจจัยของความทุกข์คำบรรลกในที่นี้บรรดาทางพุทธิษัทก็หมายถึงว่าอารมณ์จิตอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นเราโดยไม่ชอบทมถ้าดัพปสุดาบันไม่มีด้อขสาบัตพระสิกธาคามมีบรรเทาความรวย มันไหนกว่าความอยากรวยก็ยังมีอยู่แต่ใจเบามากไม่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามถ้าเกินวิสัยที่เราจะพึงทําได้จะต้องกู้นี่เย็นถึงเขาเราไม่ทําจะทําเฉพาะทุนเท่าที่มีอยู่ถ้าว่าจะมีกําไรเท่าไหรก็เป็นเรื่องของส่วนตัวเป็นสัมมาชีวะ <c oughs> ยังโดยอยู่ถ้่ว่าจิตใจไม่วุ่นวาย การบรรทาแบบนี้จะทั้งใช้อะไรก็ต้องใช้จาคานสติกรบรรทานคาว่าจาคานสติหมายถึลงลมเสียสละคิดจะบริจาคอยากจะให้อย่างเดียว <c oughs> คิดว่าใครมีความทุกข์เราจะบรรทาความทุกข์เขาต้องการทรัพย์เรามีทรัพย์เราจะให้เขาต้องการแรงงานเรามีแรงงานเราจะให้ เขาต้องการปัญญาเรามีปัญญาเราจะให้อยู่เป็นต้นเนื่ออรมตัดออก้วเมื่ออรมตัดออกอยากจะให้ยานี้ความโลภ ก, ก็น้อยลงตัวลงไปบรรเทาลงจีรินนะว่าความอยากโล ย, ยังมีอยู่แต่ไม่ดด้รนมากยังไม่หมดต่อไปก็บรรเทาความโกรธบัรเทาความโกรธก็จะอารมณ์วิหารซี คือหนึ่งเบตตาความรักสองกุณาความสงสารสามวิตตามีอ่อนโยนแต่ก็สี่เบคขาวางเฉยแน่้เราจะคิดคิดกว่าจิตเราคิดก็สมมยว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครใครก็ดีคนก็ดีในโลกนี้เราจะเป็นมิตรดีสำหรับเขาไม่เป็นศัตรูกับเขา กระการที่อสองเรามีความสงสารคนและสัตธ์ทั้งโลกว่าไม่ต้องการให้เขามีทุกข์ถ้าเขามีทุกข์ถ้าไม่เกินมิอใส่ที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยแต่ถ้าเกินมิอใส่ก็บางเฉยอยู่ไบ้ขาไม่ซ้ําเติ ม, ม, มนีื่ความเหลงความหลงก็จะมาการความเป็นจริง ยอมนับนับถือความเป็นจริงขึ้นหนึ่งบุคคลกรดีใส่กรดีม่อมีความเกิดขึ้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันในที่สุดก็ตายยอมรับวถือว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ไม่มีการทรงอยู่แม้แต่วัตถุธาตก็เช่นเดียวกันมันใหม่แล้วก็ใหน่ช้าก็เริ่มเก่าทีละน้อยแตน้อยในยที่สุดก็พัง แต่ว่าความเสียดายในร่างกายของพระสิทธาคารียังมีอยู่แต่เบาลงมากตัว่าก็เป็นชั้นนี่ชั้นต้นนะต่อมาขั้นปลายของพระสิทธาคารีย์ขั้นปลายพระสิทธาคารีย์จะมีจิตละเอียดมากหนึ่งความโลภจะไม่ปรกากฏในจิตของความกรจะไม่ปรกากฏในจิต สามความหลงจะไม่ปรากฏในจิตนั <c> ่ <oughs> นหมายจะว่าเป็นพระศิษยาภารมีละเอียดแต่ความจริงถ้าอยู่จะเพาะหน้ากันการอยากได้ทรัพย์สมบัติไม่มีอยู่ในเราใครก็พูดให้ไม่ชอบใจความก็เราไม่มีเห็นภาพเป็สวยสะรุดงามวัตุก็ตานสายกตามบุคคลก็ตา ม, าตามจิตอยากได้ไม่มี อย่างนี้เป็นพระสิกษาคารเมละเอดแต่ยังก่อนยังไม่ได้นาคามีแต่ถ้าว่าถ้าอยู่ว่างๆเฉยๆมีรมสงบบางครั้งจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าเราอยากจะรวยอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนัดหนึ่งก็หายไปตีกลับไปบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าคนนั้นเขาว่าเราคนนี้ก็ด่าเราเป็นต้นอรมเกิดขึ้นนิดน่อยก็หายไป บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าวัตถุธาตุก็ดีคงดีเป็นที่ต้องการของเราแล้วก็หายไปอย่างนี้ท่านได้บกพระสิกขาคามีละเอียดจะเป็นอนาคาหมีในตอนนี้บรรดานั่นบริษัทมีหลายคนที่หลายท่านเข้าถึงตอนนี้เข้าใจว่าตนเองเป็นพระสิกขาอนาคามีอันนี้ไม่ถูกต้องพยายามตพยายามระมัดระวัง การที่จิตจะถึงได้อย่างนั้นเพราะอะไรเาอาศัยปัญญาปัญญามีความรู้สึกว่าความโลภ ก, ก็ดีความโรกรธก็ดีความหลงก็ดีถ้าเรามีความต้องการมีความต้องการผิดทั้งนี้เพราะอรเร า, าทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันมันมีความสาคัญสำหรับเราแต่ว่าถ้าเราตายแล้ว ทราบต่างๆไม่มีวิลตุระแปเลยคิดไปเสมอรายการนี้สองความโกรธความโกรธที่อารมณ์ไม่พอใจอยากจะด่าคนนั้นอยากจะตีคนนี้อยากจะฆ่าคนนั้นเป็ต้นเราก็ใช้ปัญญาว่าอารมณ์อย่างนี้เปอารมณ์ดีหรือรอารมณ์ชั่วความเจียมโทสักขีไฟกุตุสะ พุทธเจ้าบอกว่าความโกรธเป็นไฟเผาผลานันทำจิตใจให้ร้อนคนถ้าราจะฆ่าเขาเขาก็ตายเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายสตายก็เหมือนกันเราฆ่าสัตว์ตายเราไม่ฆ่าสัตว์ตาย <c oughs> ในเมื่อไหนๆเขาจะต้องตายทําไมจะต้องไปฆ่าเขาให้มันบาด ถ้าข้าเขาเราก็จะไปอาบายภูมิแล้วก็ตัดชิ้ใจว่าเรื่องกฎโองกรรม <c oughs> คนที่ทำให้เราไม่ชอบใจได้ไปเอาอุปน ก, กรรมเขาครอบงมจิตความจริงถ้าจิตเป็นอุศสเขาจะไม่ขัดคอใครหมายความว่าก็ดูนิสัยทุงคนคนเราไม่นิสัยยังไงตามใจเขาเขาพูดมากเราก็พูดน้อย ไม่ขัคอกันใชถ้าเขาพูดน้อยเราก็พูดมากหน่อยอธิบายเข้าใจใช่ไหมไม่ขัดคอก็นเนะถ้าพูดมากแต่พูดมากพูดกันเด็กก็ทะเลาะกันอย่างสองคนนั่งข้าง <c oughs> ก็รวมความว่าเราใช้กฎธรรมดายอมรับก็บถือความเป็นจริงว่าความโกรธเป็นของดีเป็นเรื่องเผาผลาญร่างกายทําจิตใจให้ไม่นเป็นสุข ผูเรามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเมื่อทุกตาไม่จิตอ่อนโยนไม่ชา้าได้เสียใครเมื่อใครได้ดีพอยินด้วยผู้เบกขาวางเฉยนี่เมื่อ ใ, ใครทำไม่ชอบใจเราอย่างนี้เป็นสุขมากกวา่าคิดไว้เสมอทำไว้เสมอไม่ช้าอารมณ์ก็ชินในเมื่ออารมณ์มันชินอารมณ์เกลดมันก็หายไป มันค่อยๆจางไปไม่ใช่แบบจะเดี๋ยอะๆจางนะต้องค่อยๆทํามันจะค่อยๆจางไปทีละน้อยๆในที่สุดแม่ประทะหน้ากันจริงๆฟังเสียงจริงๆไม่รู้สึกว่าโกรธแต่ว่าบางครั้งบางคราวเวลาจิตสงบอารมณ์เผลอขึ้นมาปั๊บก็มีความรู้สึกว่าคนนั้นเขาเคยว่าเราคนที่เคยดี๋ยเคยด่าเรา นี่แสดงว่ามันยังไม่หมดมันยังคุดอยู่ภายในที่จะอนุสัยก็เป็นว่าบรรดาทางพุทธิษัทน์หลายสหรับพระสกิาคามีพระสกิาคามีก็ดีพระสวดาบันขันเเอกวิชีก็ดีตามบาลีที่จะบอกไว้ว่าหากว่าตายจากความเป็นคนก็ต้องกลับไปเกิดเป็นคนอีกหนึ่งชาต จะตามตำรานะถ้าตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้เป็นผมก็ตามต้องกลับมาเป็นคนอีกหนึ่งชาติจึงจะไปนิพพาน <c oughs> แต่ว่าถ้าสมัยนี้ถ้าท่านบูไดเป็นพระโสดาบันก็ดีสิทาคามีก็ดีถ้าตายจากความเป็นคนไปสวรรค์ได้ผมก็ตามจะไม่มีโอกาสกลับอีกจะไปนิพพานเลย ท, ออทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้เพราะว่าในไม่ช้านักภาอนก็ตรัสเวลาเลยจะนี้ไปบางท่านก็บอกว่าประมาณสมล้านปีบางท่านก็ประมาณล้านปีนปลนปแล้วเป็นมนุษย์นะภาษีอนก็ตรัสนี่หากว่าเราเป็นธรรดาโดยเฉพาะยัน ย, ยิ่งชัจกจะตกลมาได้ก็ดีท่านดาวดึก็ดีเอาสั้น ท่านจาตวาราชห้าสิบปีของเราเป็นหนึ่งวันของท่านแล้วก็สามสิบวัน เ, นเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีถ้าเราเกิดท่านดาว ด, ดึงท่านดาว ด, ดึงนิดหนึ่งร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของท่านแล้วก็สามสิบวันของท่านก็เป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีกล่ความาาว่าถ้าเกิดท่านดาวดึงท่านดาวดึงมีอายุขัยพันปีทิพ พันปีทิพ์ไม่ใช่พันบินนรกนะพันปียเทวดาก็มีอายุไม่ถึงสามร้อปีพระสิอันก็ตรัสนเมนื่อพระธิอันตัดเป็นพระเจ้าแล้วท่านที่เป็นพระโสดาบันก็ดีสัตาคามีกด็ดีฟังเทศเพียงกับเดียวก็เป็นอรันปนานิพานก็เป็นว่าขอมันดาแต่พระทวยศัตุกท่านพระโสดาบันกด็ดีพระสรีทาามีก็ดี ถ้าเราไม่เคยฟังว่าทำไมจึงบรรลได้ก็จะรู้สึกว่ายากขอโทษนีกหน่อยหนึ่ง <c oughs> เพราะการมีโสดาบันก็สิทาคารีตัดสังโยด้ว ส, สามจะไม่ดีนะหนึ่งสกาญทิธิยังมีปัญญาไม่มากมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายให้ถือว่าวามตายเป็นของธรรมดา ไม่ใช่เขงแตป่ประหลาดคนเขาเกิดก่อนเราก็าตายไปกันเยอะคนเกิดที่หลังเราตายไปกว่าเยอะคนคนเกิดไม่เร็วกว่าเราตายไปกว่าหน้าเราก็เยอะเป็นขอธรรมดาจริงๆคนที่สั์ที่เกิดมาในโลกไม่ตายไม่มีแล้วก็พระเจ้าจะแนะนำว่าให้ถือว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ถึงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีมเราแล้วก็หมายแต่ว่ามีอารม์สงไป เราหลงอรรัน์ทะโสดาบันมีความรู้สึกถึงว่าเสด็จตาคามีก็าตามเราจะต้องตายแมื่อความตายไ ม, ไม่ถึงที่สุดนั่นก็หมายความว่าตายแล้วไม่สูญอาตมาขอยืยนยันตามที่พระเจ้าทรงสอนพระเจ้าบอกว่าตายแล้วไม่สูญไม่เมื่อไม่สูญมันไปไหนถ้าลมใจของเราไปอกุศลในตอนนั้นก่อนจะตาย เราก็ไปอบายภูมิก่อนอบายภูมิอะไรมัง่งคือเป็นหนึ่งเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตประสิทิ์กายเป็นสติฉันถ้าเวลาก่อนจะตายถ้าลงใจเพราะเราเป็นกุศลจะไม่จะทำบาปไปมากกว่าตาม <c oughs> ถ้่เวลานั้นจิตนึกถึงกุศลขึ้นมาก่อนแล้วก็ตายก็ไปสู่สุคติก่อนมีสวรรค์เป็นต้น พะนรีสมเด็จพระทธพงศคือพระพุทธเจ้ายินส่งแนะนําละบรรดาเจ้าพุทธบริษัทเจริญสมาธิและปัญญาคำว่าวิปัสสนาญาณก็คือใช้ปัญญาสมาธิคือการตั้งใจอันดับแรกฝึกการตั้งใจไว้ก่อนตั้งใจรู้ลมเข้ารู้ลมออกตั้งใจภาวนาแต่ก่อนที่ภาวนาคนเลกว่าเราจภาวนาบ้านเมืองก็ตามให้เึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน นึกถึงพระพุทธจานึกถึงพระธรรมนงพระอริยสงฆ์และก่อนที่จะภาวนาทั้งหมดในอุทุมบุริกาสูตรพระไตรปิฎกได้บอกว่าให้แผ่เมตตาจิตไปในจั ก, กรวาลทั้งปวงหม้ยความโลกนี้ทั้งโลกเรามีความรู้สึกว่าเราจะเป็นมิตรดีของคนแลสัตว์ทั้งหมดจะไม่เป็นศัตรูกับใคร เราจะสงสารปัต tn าในการเลื่อนกูนกำลังให้เขามีความสุขถ้าไม่เคยมีสัตย์ที่เราจะเป็นทรรได้แล้วเราจะมีจิตอ่อนโยนไม่ฉาดเสียไข่บางคนอื่นไ ด, ได้ดีเราก็ยินดีด้วยต่อมาก็เบิกขาถ้าใครทํำไม่ชอบใจเราจะวางเฉยจะไม่ต้อตอบจะไม่โกรธคิดว่านําป็นกรรมของเขา เมื่อแผลเมตตาจิตไปอย่างนี้ทุกคนจิตจะไปมีอารมณ์เป็นสุขเราก็มองไม่เห็นศัตรูเห็นแต่มิตรเมื่อจิตเห็นแต่มิตรอารมณ์ก็เป็นสุขเมื่ออารมณ์เริ่มเป็นสุขเริ่มจับอวนากําหนดรู้ระมัด ใ, ใจเขาออกจะไม่จิตเป็นสมาธิได้ง่ายเมื่อรู้อมเข้ารูมออกรู้คำวนาจิตสบายก็ใช้ปัญญาต่อไป การใช้ปัญญาก็คิดว่าถ้าเราตายเวลานี้ถ้ารูปของเราเป็นกุศลเป็นอนไรเราเป็นกุศลเราจะไปสุคติถ้าเออบางครั้งบางคราวเราเผลอไปตายในขณะที่รมูปยากุศลก็ไปสุทัตคติเราจะไม่ยอมให้อากุศลเข้ามาครอบงำจิตของเราจะเอาจะเอากุศลอย่างเดียวเข้ามาประจําใจของเราบั่นคือนึกถึงพระพุทธเจา้านึกถึงว่ัฒรมนึกถึงพระอริยสง์ ก็ได้การที่ท่านสอน ย, ย่อภาวนาพุโทโธก็ได้การที่ท่านสอน ย, ย่อภาวนาพุโทโธพุธโทโธนี่เป็นพันนาหลวงสมเด็ิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้านึกถึงพุโทโธอยู่ก็ตามนี่เท่าหลังก็ตามใจของท่านบนนั้นจะรู้ให้อกุศลแะไม่คร อ, อ, อบงำจิตเพื่อจะมีเฉพาะอารมณ์ที่เปกุศลโปยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างิ่งคําว่าพุทโธคือพระพุทธเจ้าที่คระมเคยถามพระเจ้าว่าพระพัสมณะโคดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปสวรรค์มีไหมผมเลยไปจานเต็นบอกว่าพระมณดลก่อนพรามคนที่ไม่เคยยกมือไหว้แตถาคต ไม่เคยฟังเทศไม่เคยใส่บาตรนึถึงที่อย่างเดียวตายได้ไปสวรรค์ไม่ใช่นำร้อนนพันนับป็นโกดนั่นก็หมายถึงมัตตบุตรีเทพบุตรซึ่งพ่าเป็นพรามเป็นวิชาทิฏฐิจะหาเขาเป็นวิชาทิฏฐิก็ไม่ถูกเขาก็เป็นนักสอนศาสนาเหมือนกันในศาสนากรามในเมื่อเขาก็ไปขนาใจาเขาไม่ยอมรับเลยว่านับถือพระพุทธเจ้านี่เว่าเาช่ว ไ, ไม่ได้ ต้องถือว่าเรื่อธรรมดาแต่ว่าพระเจ้าเคยได้ผ่านว่านบ้านเขาไม่เคยใส่บาทเขาไม่เคยฟังเทศเขไม่เคยยกมือไหว้ท่านคณะท่านบิดเขาจะไม่ยอมยกมือไหว้หลวงพุทธเจ้าต่อมาภายหลังลูกชายขาเขาป่วยหนักเห็นว่าพ่อกับแม่ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ทรัพย์สมบัติสมายเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ เธอจะเอาใจไปนึกถึงพระพุทธเจ้าเขาเลยคิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจทรงมีเมตตาไม่ได้ว่าบุคคลบู้ใด <c oughs> เธอก็ตั้งใจนึกถึงเจ้ามาขอมาช่วยโปรดให้หายจากความเป็นโรคให้หายจากป่วยความจริงคนจะตายไดยใครก็ห้ามไม่ได้พระเจ้าเองอนิพพานแต่อาศัยที่เธอจะนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ขนาดนั้นก็ตายพอดี เอาสายที่เกเรนพุทธานุติจนนิกถึงพรจเป็นพุทธานุติกไม่จะนิดเดียวไม่จะใช้เวลาที่น้อยกว่าตามนะที่เป็นผูศรเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวเด็ถึโลกมีวิมานทองคำไม่ได้ยมีนางฟ้าห้าพันหนึ่งันบริบานว่าวเป็นว่าถ้าเราใช้ปัญญานอกจากว่าเราจะนึกถึงความตายแล้ว ก็คิดว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสมก็ดีสามารถกันอภัยภูมิได้เราไม่ไม่ลองอภัยภูมิเพระอนุภาพของท่านก็นึกถึงท่านองค์ใดองค์หนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นึกถึงพระธรรมก็ได้นึกถึงพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้จีก็ไปดูสนเมื่อตั้งใจจะดานัดถ้าถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสมก็จะบไว้เพุทธานุสติธรรมานุสติสังขาานุสติ จิตเป็นสมาธิในนิสิตระสามอย่างนี้ไม่ดวองวายภูมิแน่แต่ว่าชาตินี้ไม่ลงชาตนาไม่แน่นี้ป้องกันแต่ทุกชาติชาตินี้ก็ไม่ยอมวงายภูมิชาติหน้าไม่ยอมไม่ยอมไปใบภูมินั่นคือมีศิลปห้าบริสุทธ์ทับเขา้าไชั้นหนึ่งถ้ามีศิลปห้าบริสุทธ์จะเรียกว่าเป็นโสดา บ, บันขั้นสตากตะตรงขั้นอ่อนมาก ถ่าดีไปหยบวกกับโมดสิบให้ามดิปฏิบัติด้วยขณะที่ปรับปฏิบัติอยู่จะไม่ส่งตัวดีนเพระโสาษษษดาบันขโกรังกุระข้กลางถ้าโมดสิบใบสิแน่นอนหมายถึงว่าไม่ขาดจะไม่ต้องระวังมันไม่ขาดเองท่งตัวอย็าอยาอ น, นาเย็นี้เด็กเสิร์ฟบาลขั้นเองขั้ีขั้นสงสุดขละเอียด ต่มาถ้าเราใช้อารมณ์พราวจนสกิทาคารีบรรเทาความโลภความดิ้นรนของจิตใ น, นลาล้สกระน้อยลงยังมีอยู่อารมณ์ที่ไม่พอใจเบาบางลงเขาด่าวันนี้อีกสามวันนี้รู้สึกว่าเขาดา่าเห็นไหมไม่ใช่เขาเกือบจะด่าเราด่าแล้วนะเขาด่าวันนี้เราไม่มีความรู้สึก 3, ยี่สามวันพื่อจิสบายรู้สึกเอ้ยวันนั้นมันด่าเม่อวาไปแล้วอย่างนี้เรียกเทาความโกรธต่มมาก็บรเทาความโงการคิดว่าอยากจะเป็นนงางฟ้าเป็นเทดาเป็นโบก็ดีไม่มีเทหเราต้องการเป็นนักตรีมัมีเทหรัเราเราต้องการจุดเดียวคือนินพพานเาพราะว่าิพพานคือการิพพานศูนย์ไม่ศูนย์ สองวันนี้มีคนไปพบปฏิพันธ์ธาน3ามรสี่คนคนใหม่นะเขาไปพบกันแล้วนะรุงนะีว่าทำไมถึงได้พบเหมือนกันแลระว่าการปฏิบัติมไม่เหมือนกันการยืนในกรรมฐานมีสี่แบบมีสี่หมวดในสุขวเวทนาโกยุทธะเท า, าคืนคืนอย่างนี้ไม่มีความเป็นทิพย์ี่ก็จะเป็นสมาธิสองเตวิโชหรือวิชาสาม วิชาสามนี้ก่อนจะเป็นพระอริยเจ้าต้องหนึ่งมีทิพยกุญแจเห็นพิริตได้เห็สวรรค์ได้สองมรรคชาติได้จึงจะเป็นพระอริยเจ้าแล้วสามชน ะ, ะพิญญาพิญญาหกถ้พาพิญญาได้เห็นด้วยไปถึงได้ด้วยเห็นเทวดาต้องการพบเทวดาเราไปหาเทวดาได้ เราเห็นนะเรต้องการปิถิหิกเราไปได้ต้องการสมาหลักเราไปได้ไปได้ทุกจุดตามที่เห็นถ้ามีจิตสะอาดที่สุดสามารถไปถึงนิพพานได้แตพาะเวลาเวลาที่จิตสะอาดาก็ได้แบบสะอาดทักคราวกระรอความว่าการปฏิบัติสรมฐานถ้าปฏิบัติได้ครบต้งสี่หมวดก็ไม่มีอะไรไขัดคอกันเพียงไขัดคอก็อยู่เลนั่นเพราะ ว, ว่าปฏิบัติไม่ครบสี่หมวด บางท่านก็คิดว่าเคยฟังมานะเขาหาว่าพราะทำไมพระเจ้าถึงจะถอนกรรมฐานไม่มากไ ม, ไม่สอนพระสุขเิสโกความจริงอุปิสัยของคนเราไม่เสมอกันคนไม่อยากยุ่งปฏิบัติในสุขภิสโกได้เหียกเงียมไม่มีมความบิทิพแตถ้าคนอยากรู้อยากเห็นต้องปฏิบัติในสายขามิชาสาม คนสนต้องปฏิบัติจะได้ปัญญาหกคนอยากรู้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เขาต้องปฏิบัติาานะอตอน ป, ดดปฏิบัติญาณที่สี่เวลาหมดแล้วนะต่อไปเขาได้เป็นพระอิศุทธ์ในตั้งใจสมาทานสินตมาทานมารรคฐาน